การได้แต่งงานถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์บางครั้งต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายซึ่งความราบเรื่นในการแต่งงานของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามากีดขวางไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวของแต่ละฝ่ายหรือบางครั้งปัญหาก็มาจากคู่รักของเราเองการขอแต่งงานของบางคนอาจสำเร็จบ้างส่วนบางคนอาจจะยังไม่พร้อม ก็ล้มเหลวหรือแม้กระทั่งความไม่พร้อมในค่าสินสอดเงินทองทั้งหลายผู้หญิงส่วนใหญ่มักพากันจิตตกไปกับเรื่องการเตรียมการและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนแทบจะล้มป่วยกันเลยทีเดียวแต่ถ้าใครได้ฟังเรื่องราวของงานแต่งงานเหล่านี้แล้วละก็คงจะสบายใจได้ว่างานแต่งงานของเรานั้นยังดีกว่าของบุคคลผู้โชคร้ายเหล่านี้เยอะและนี่คือวิวาอาถัน เรื่องราวสามสิยองเมื่อการแต่งงานที่ควรจะเข้าเรือนหอแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นลงวิวาอาถันเจ้าสาวสิยองขวัญเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจและขนหัวลุกกันเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องราวของรูปไายอาถันที่เล่าขานต่อๆกันมาในโลกโซเชียลซึ่งมันสามารถสร้างความหายนะให้กับผู้ที่ได้เห็นมันมาแล้ว เรื่องนี้ถูกส่งต่ อ, อยังแพร่หลายกระจายในโลกโซเชียลของวัยรุ่นจีนในช่วงต้นปีคศ .2000 โดยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในปีคศ .1920 จากการที่หญิงสาวอายุ17ปีคนหนึ่งลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่ล่ำรวยและมัง่งคั่งแต่ต้องพบกับความโชคร้ายที่ตัวเธอนั้นเกิดมาป่วยกระสอบ ก, กระแสะมีโรครุมเรา้าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก ทำให้พ่อแม่เธอนั้นตามใจแบบสุดๆจนวันหนึ่งเธอนั้นได้พบกับชายหนุ่มอายุ19ปีลูกชาวนาจนๆซึ่งเป็นหนี้ต้องนําที่ดินมาจำนองกับครอบครัวของเธอและเธอก็ตกหลุมรักชายผู้นี้ตั้งแต่แรกพบเธอจึงบอกพ่อแม่ว่าอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้มากพ่อแม่ของเธอจึงยื่นข้อเสนอไปยังครอบครัวของชายหนุ่มและทางฝั่งผู้ชาย ก็ได้ตอบตกลงโดยที่ชายหนุ่มก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่เพราะตนเองนั้นก็มีคนรักอยู่แล้วแต่ด้วยความจนหนี้สินและอยากให้ครอบครัวพ่อแม่สบายเลยต้องยอมทำตามในคืนก่อนวันแต่งงานนั้นหญิงสาวได้เกิดอาการไข้ขึ้นสูงและมีอาการป่วยอย่างรุนแรงแต่ว่าเธอก็ยังฝืนใจทําพิธีในตอนเช้าจนเสร็จสิน้น พอถึงช่วงเย็นที่กําลังจะทําพิธีในตอนเย็นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอาการป่วยของเธอนั้นก็ซุดตัดจนเธอนั้นเสียชีวิตทั้งๆ ท, ที่ยังอยู่ในชุดเจ้าสาวด้วยความที่เป็นครอบครัวที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวจึงต้องการที่จะให้ทําพิธีต่อไปจนเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้โดนค้รหา และมีความเชื่อว่าวิญญาณของหญิงสาวจะพอใจชายหนุ่มจึงต้องกล้ามกลืนฝืนทนทำพิธีร่วมกับศพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากพิธีผ่านพ้นไปจนมาถึงพิธีสําคัญคือการส่งตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าเรือนหอซึ่งตามประเพณีนั้นพอส่งตัวเข้าห้องจะต้องล็อกประตูให้เจ้าบ่าวอยู่กับเจ้าสาวจนถึงเช้าจึงจะออกมาได้ ทำให้ชายหนุ่มหมดความอดทนเพราะไม่ได้มีความรักความผูกพันกับเจ้าสาวเลยแม้แต่นิดแต่ต้องถูกบังคับให้อยู่ร่วมกับศพเขาจึงตัดสินใจหนีออกไปในระหว่างการเตรียมส่งตัวเข้าหอแต่ด้วยความมีอิทธิพลของครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวนั้นก็จัดการให้ลูกน้องตามหาแล้วลากตัวชายหนุ่มให้กลับมาทํำพิธีต่อให้จบซึ่งเวลาก็ผ่านไปถึง5วันแล้วและภาพถ่ายนี้ เป็นการจัดท่าทางให้เหมือนกับเจ้าสาวยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่เจ้าสาวเสียชีวิตไปแล้วกว่า6วันซึ่งศพนั้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีชายหนุ่มถูกทรงตัวเข้าเรือนหอพร้อมกับศพเจ้าสาวแล้วทำการล็อกประตูจากภายนอกและจัดเวณยามเฝ้าไม่ให้ใครเข้าออกได้ เวลาผ่านไปจนรุ่งเชา้าญาติฝ่ายเจ้าสาวก็ได้ไปเปิดประตูห้องเพื่อนำอาหารเช้าเข้าไปให้แต่ต้องพบกับร่างที่ไร้วิญญาณของเจ้าบ่าวซึ่งนั่งพิงกำแพงตาค้างเหมือนคนตกใจสุด ข, ขีดและดวงตาคู่นั้นจ้องมองไปทีุ่ดเจ้าสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นตกใจขึ้นอีกนั่นก็คือใบหน้าของศพเจ้าสาวนั้น มีรอยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยไม่นานรูปถ่ายนี้ก็ถูกส่งต่อกันเป็นวงกว้างไปทั่วโลกโซเชียลพร้อมทั้งยังได้มีการล่ำลือกันว่ารูปพี่ถ่ายนั้นหากใครจ้องมองแล้วเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าสาวแล้วล่ะก็อัน <c oughs> ยนต์จะเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นอย่างแน่นอน <c oughs> อย่าจ้องนานนะ เราเตือนคุณแล้วงานแต่งต้องคำสาปจุดเริ่มต้นของคำสาปนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายอเมดดโอแห่งเมืองซาวอยประกาศจะแต่งงานกับหญิงสาวที่มียศ้าบรรดาศักด์ที่ต่ำกว่าชื่อมาเรียโดยกษัตริย์วิกเตอร์เอมานูเอลที่สองแห่งอิตาลีซึ่งเป็นพระราชบิดาก็ได้คัดค้านความคิดนี้แบบหัวชนฝา พอถึงแม้มารีอาจะมีตำแหน่งเป็นถึงคุณนางแต่กษัตริย์ก็หวังไว้ว่าต้องการให้เจ้าชายแต่งงานกับหญิงสาวที่มีเชื้อสายสูงส่งกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าชายก็ได้จัดงานแต่งงานกับมาเรียในวันที่30ิพฤษภาคมปีคศ1867แและงานแต่งนี้ก็ได้รับการบันทึกไว้ว่ามันเป็นสุดยอดงานแต่งที่รวมเรื่องราวความหายนะทั้งหมด เขาที่จะเกิดขึ้นได้ในงานเดียวงานวันนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เตรียมตัวฝ่ายเจ้าสาวพบว่าหญิงที่มีหน้าที่จัดเตรียมชุดได้ผูกคอตายตรงจุดที่ควรจะแขวนชุดแต่งงานเอาไว้แต่มาเรียก็ได้ตัดสินใจให้ดำเนินการแต่งงานต่อไปโดยเปลี่ยนชุดเจ้าสาวเป็นชุดอื่นแทนเสียขณะที่ขบวนของเจ้าสาวกาลังเดินทางจากพระราชวังไปยังโบสถ์ก็เกิดอุบัติเหตุ ทำให้พันเอกที่นำขบวนอยู่เกิดอาการเป็นลมแดดตกลงจากหลังม้าและเสียชีวิตจากนั้นจึงได้จัดหาคนมานำขบวนใหม่แต่ทว่าคณะเดินทางก็ต้องหยุดลงอีกครั้งเมื่อประตูทางออกจากพระราชวังไม่ยอมเปิดจึงได้ส่งคนไปดูแล้วก็พบว่าคนเฝ้าประตูนั้นนอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อพิธีการแต่งงานทุกอย่างเสร็จสิน้นเพื่อนเจ้าบ่าวก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวโดวยการยิงตัวตายเป็นศพที่สี่หลังจากนั้นคู่แต่งงานและแขกพากันเดินทางไปสถานีรถไฟที่อยู่ไกลๆเพื่อที่จะเดินทางกลับให้เร็วที่สุดแต่ผู้ร่างสัญญาแต่งงานก็เสียชีวิตกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกแถมนายสถานีรถไฟผู้โชคร้าย ก็โดนรถม้าของเจ้าสาวทับจนเสียชีวิตอีกเมื่อเหตุการณ์เป็นถึงขนาดนี้กษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่สองก็ได้ยืนการานว่าไม่ให้ใครขึ้นรถไฟกับทั้งนั้นและให้ทุกคนกลับไปยังพระราชวังโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ก็ยังเกิดเรื่องอีกจนได้เมื่อท่านเขาแห่งคัสติโยเน่ก็ถูกรถม้าของคู่แต่งงานทับเช่นเดียวกันและเสียชีวิตเนื่องจากโดนเหรียญตา ที่อยู่บนเสื้อปักเข้าที่หัวใจท่านเขาคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตในงานแต่งงานของมาเรียสุดท้ายคำสาปก็สิ้นสุดลงเมื่ออีก9ปีต่อมาเจ้าหญิงมาเรียได้คลอดบุตรและเสียชีวิตจากการคลอดบุตรครั้งนี้เมื่อพระชนมายุได้2 9่สิาพรรษาเท่านั้นวิวาสังหารฆาตกรต่อเนื่องศ ผู้หญิงอินเดียที่ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต่างอะไรกับภาระและความอับยศของครอบครัวหญิงสาวทุกคนจึงพร้อมจะเปิดใจรับชายหนุ่มที่เข้ามาในชีวิตโดยไม่คิดตัวแหวงเลยว่ า, ววาคนคนนั้นจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรความจริงที่ได้เจอมันช่างต่างกับสิ่งที่เห็นราวฟ้ากับเหวทิรัตเคเลเรนาภูมิน่าหญิงสาววัยสปีกาลังจะออกจากบ้านเพื่อไปเป็นเจ้าสาวของอนันดา ครูหนุ่มใหญ่จากรัฐทางใต้ก่อนออกเดินทางพ่อแม่ของเธอก็อวยชัยให้พรสียืดยาวด้วยความปลื่มใจที่ลูกสาวจะได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยรู้จักหัวนอนปลายเทา้าของอนันดามาก่อนแต่ท่าทางสุภาพเรียบร้อยของชายหนุ่มก็ทำให้สองหัวเมียเชื่อว่าฮูมินาจะต้องมีสามีที่ดีอย่างแน่นอนแต่แล้วหลังจากการอำลาในวันนั้น ทั้งคู่ก็ไม่ได้ข่าวคร า, าวของภูมิน่าและสามีอีกเลยเช่นเดียวกับครอบครัวของเบบีนายักหญิงสาววัยเบนเทพเฮตจากเมืองทิรัตที่ไม่ได้ข่าวคร า, าวของลูกสาวอีกเลยหลังจากเบบีกับอนันดาเจ้าบ่าวที่เธอรู้จักเพียงวันเดียวมาบอกลาเพื่อเดินทางไปแต่งงานที่บ้านของเจ้าบ่าวไม่มีใครรู้ว่าเจ้าบ่าวที่แสนอ่อนโยนจะพาเบบีเข้าพักในโรงแรมราคาถูก ใกล้กับสถานีรถประจำทาง KSRTC แล้วลงมือมข่มขืนเธอจากนั้นก็ให้เบบี้กินยาเม็ดหนึ่งก่อนจะหลบหนีไปพร้อมกับเงินทองและเครื่องประดับที่เธอนำติดตัวมาทิ้งให้หญิงสาวนอนหายใจดรวยรินจวนเจียนจะขาดใจตายอันเป็นผลจากพิษสายนัยที่เธอกินเข้าไปกว่าที่พนักงานโรงแรมจะพาเบบี้ส่งโรงพยาบาล เจ้าสาวเคราะหร้ายก็อาการโครม่ากเกินเยียวยาแล้วเธอเสียชีวิตบนรถพยาบาลโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะบอกชื่อฆาตรกรให้ใครได้ยินเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับอณิตาบารีมาวัยปีซึ่งหายตัวไปเหมือนไม่มีตัวตนอยู่บนโลกหลังจากเดินทางไปพร้อมกับว่าที่เจ้าบ่าวเพื่อไปเข้าพิธีวิวาที่บ้านของฝ่ายชายจะแตกต่างกันตรงที่ครอบครัวของอนิตา ไม่ได้ชะล่าใจเหมือนครอบครัวหญิงสาวคนอื่นๆเพราะลูกสาวขาดการติดต่อไปสองสัปดาห์บิดาของอนิตาก็นึกสังหอนขึ้นมาทันทีว่าลูกสาวและลูกเขยอาจจะถูกป้นระหว่างเดินทางจึงตัดสินใจไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเมืองบันวันตารุกจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดปรงคดีฆาตกรรมครั้งใหญ่ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศอินเดีย ตำรวจลงมือสืบหาด้วยการแกะรอยขึื่นโทรศัพท์ของอนิตาจนพบว่ามันถูกใช้ครั้งสุดท้ายที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งห่างจากเมืองมังกาลล อ, ออกไปประมาณ20กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงติดตามไปจนพบตัวอนันดาแต่กลับไม่เจออนิตาผู้เป็นภรรยาอนันดาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของหญิงสาวทันทีเมื่อถูกสอบปากคำอย่างหนัก อนันดาก็จนมุมด้วยหลักฐานจนต้องยอมรับสารภาพว่าเขาได้สังหารภรรยาไปแล้วและที่น่าตกใจที่สุดก็คือเขานี่หละที่เป็นเจ้าของปริศนาการหายตัวไปอย่างลึ ก, กลับของหญิงสาวกว่า20คนอนันดามีชื่อจริงว่าโมฮานคูมาวัย46ปีเป็นอดีตครูในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองบันวันตาลุก แต่ในปีคศ2003เขาถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากไม่ตั้งใจสอนหนังสือทำให้โมฮานหมดทางทำมาหากินเขาจึงวางแผนหาเงินจากหญิงสาวที่อยากจะมีครอบครัวโดวยเข้าไปตีสนิทแล้วขอเธอแต่งงานจากนั้นก็ให้พวกเธอหอบเครื่องประดับเท่าที่มีอยู่ติดตามเขาไปก่อนจะฆ่าชิงทรัพย์ภรรยาผู้น่าสงสารเหล่านี้ตั้งแต่กลางทาย โมหันจะเลือกเหยื่ออย่างโรมัดระวังโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเรียบร้อยไม่ค่อยมีเพื่อนท่าทางหัวอ่อนเมื่อพบคนที่เขาต้องการเขาจะเข้าไปตีสนิทโดย ท, ทําทีเป็นทักคนผิดจากนั้นก็ใช้วาจาที่หวานหูหลอกล่อถามถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวของเธอถ้าหญิงสาวมีญาติพี่น้องหลายคนหรือมีญาติเป็นผู้มีอิทธิพลเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยโมฮันจะเลือกเฉพาะหญิงสาวจากครอบครัวเล็กๆ ฐานะปานกลางไม่มีเส้นสายที่จะตามสืบหาตัวเขาได้เมื่อได้คนที่เหมาะสมแล้วเขาจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ถึงเดือนในการหลอกล่อจนเหยื่อตกหลุมรักแล้วจึงขอเธอแต่งงานโดยไม่ต้องมีสินสอดมีเหยื่อที่โชคดีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้หญิงสาวส่วนใหญ่อยากเป็นฝั่งเป็นฝาอยู่แล้วพวกเธอจึงรับปากและตกเป็นเหยื่อทันที เขาจะชวนเหยื่อไปทำพิธีแต่งงานกันที่มัสยิดจากนั้นก็ให้เธอไปบอกลาคนที่บ้านพร้อมกับเก็บเงินทองของมีค่าซึ่งโดยมากจะเป็นเครื่องประดับเงินทองและเครื่องเพชรที่แม่มอบให้ลูกสาวเป็นของขวัญแต่งงานแล้วพาเจ้าสาวคนใหม่นั่งรถเมล์ไปลงที่เมืองไกลๆเมื่อถึงที่เปลี่ยวที่หมายตาไวมูันจะบอกให้ภรรยาเอาเครื่องเพชรและกระเป๋าสตางค์ที่ใส่บัตรประชาชน มาให้เขาเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยก่อนจะข่มขืนเธอแล้วเอายาพิษไซยาไนาให้กินโดยหลอกว่าเป็นยาคุมกําเนิดทำให้ความฝันของผู้หญิงที่ต้องการจะได้แต่งงานต้องจบลงอย่างน่าเวทนาเมื่อศพถูกพบตํารวจท้องที่ก็มักจะสรุปสำนวนคดีว่าเป็นคดีที่ปิดไม่ลงเนื่องจากไม่มีเอกสารที่จะระบุตัว ต, วตนของเหยื่อเหลืออยู่เลยโมหานยอมรับสารภาพว่า เขายังได้ทำการฆาตกรรมหญิงสาวอีก18คนด้วยวิธีเดียวกันรวมเวลาในการฆ่าต่อเนื่องทั้งหมดประมาณ5ปีเต็มพุมีนาเป็นเยื่อรายล่าสุดที่เขาสังหารไปและเมื่อสืบคดีย้อนกลับไปทำให้หน่วยสืบสวนพบว่าเยื่อรายแรกที่สังเวยชีวิตให้กับความอเมหิตของโมฮานเป็นหญิงสาวชื่อรัตนาเธอเป็นหญิงสาวคนแรกที่โมฮานพยายามล่อลวงให้แต่งงานด้วย แต่รัฐหน้าปฏิเสธโมหานจึงบรรดานภูสักผลักเธอตกลงสะพานเนตรราวตีพ่เมืองธามัสตานจนจมน้ำตายโมหานถูกตัดสินโทษประหารตั้งแต่เขายังไม่ทันได้ขึ้นศาลตอนนี้ความตายที่เขาเคยหยิบยื่นให้กับคนอื่นมันกลับมาเล่นงานตัวเขาเองเสียแล้วโมหานก็มีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังต้องตระเวนไปตามมือต่างๆเพื่อชี้จุดที่เขาสังหารเหยื่อแต่ละลาย พร้อมกับบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเธอภาพของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ถึง20ิคนย้อนกลับเข้ามาเล่นงานเขาราวกับจะมาทวงชีวิตคืนความกดดันทาโถมเข้าใส่โมหานจนคนต่อไปไม่ไหวแล้วเช้าวันหนึ่งเขาจึงพยายามฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอในห้องน้ำสถานีตำรวจแต่ตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าห้องได้ยินเสียงผิดปกติเสียก่อนจึงเข้ามาช่วยยื้อชีวิตโชดของเขาไว้ได้ เพื่อยืดเวลาให้เขาต้องจมอยู่กับห้วงเวลาแห่งความทรมานอีกนานนับเดือนจนกว่าจะถึงวันประหารชีวิตสัมพัสเสี่ย